โรคทุำดีเป็นนิวก็โลกใส่เลือดโรคโรคมาตโรคพุ้มแพ้โรคพันระดึกโรคท้องผูกโรคเน็บซ้าแลำไมาใสเรียกว่าโรคท้องผูกเรียกว่าโรคพันระดึกเรียกว่าโรคกระเพาะขวาวายรเนว้ ร่างกายมันมีทุกคนมีโทษมันมีตั้งแต่อารพาดก็เกี่ยวไข่ต่งตางๆเต็มอยู่ในกายนี้พระพุทธเจา้าสอนไนอะ้พี่แกหน้าคอยเห็นว่าเป็นอาธินะวะสัญญาอาทิอาทิไม่สัญญาคว า, ามญญาเห็นโทษนั้นมันเป็นโทษในกายมีทุกมากมีโทษมากอาราดต่งตางๆ ต่องตังเนี่ยนายไก่เธอทั้งหลายจงพิกกันหนาสัอใครเห็นเปลี่ยนเครื่องนายในวัตสาสงสารในพระวจน ศ, ศาสนาของเขาผู้มีโลกหน่อยมีธต่พระภาคกุละผู้เดียวพระภาคกุลละมองไม่โลกไม่ตลกสลาเลยพเพราพ้นเมื่อค่อยในเบียดเบียนซัดเจ้าศาสตร์กรพ่พนคยอยในเป็นมโนท่านยา เคยจะเป็นหมอยารักษาคนไข่คนป่วยแล้วเม่อเคยเบีเบียนซัดเมื่อเคยขา่าวเม่อเคยตีเ่อเคยเขียนผู้ข่าวซัดหลายเป็นผู้มีชีวิต น, อน้อยชีวิตบยืนผู้ผ่้ข่าวซัดแจงว่าถ้าเหมือนตกพุ่มละเภาดยเขียนด้วยตีถี่ยืนใต้กระสางก็ไม่โรคเบียนเบียน แม่พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่โลกเบียดเบียนด้วยโลกประจําตัวขององค์ท่านหนึ่งโลกสลาราสองโลกฤทธิที่หลวงท่านนะที่พระองค์เก่าแต่สันหมู่งมวลขอหน้าคุณธะกามมั่นมุนด ม, มุ่งมวลคือมันมันเป็นมวนเป็นสาลคือโมร า, ามรา์เขาเวลากันโมราร์เท่านั้นมันเมเบอคือมวน ค, ค, คือสารนี่ ในชิ้นเขาว่าแต่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาวๆเฉ้าะกับเพียรนะเรียกว่ามวลวิสารพระองค์เจ้าเฮาในบิญญาณดานไปสั้นอันนั้นนั่นคือธรรมกัมันบุตรนิมนต์ตัวของเพิ่นเพิ่นของหงช้างกูบันดาเสด็จสำหลักเพราะทศกัณฐบุพกรรมของพระองค์เจ้าว่าเพิ่นเน่ยเพิ่นเคยได้ว่างยาคนไข้พิษ คนไข่ก็ได้ตายวะสันว่าไม่เกียติห น, น้ากรรมอะไรันก็ได้ตามพระองค์เก่ามากว่าสันนาจำหน้าดูไม่เกตีตหน้าว่ไม่เกียรตหน้าก็เป็นกรรมขึ้กันถ้าไปรหยียบหมดเหยียบแม่งตายหมดเนี่ยครับ่ไม่เกีตหน้าก็เป็นกรรมขึ้กันนั่งตามกันสนองกันกรรมโมหนา่าวัตติโรโกสรุปเป็นไปตามกรรมไปว่ะกรรมแล้วพขธคองกรรมพ่พุทธศาสนาเอามาแล้ว ไอ้สิดีสิเดนชักเรื่องไรก็ตามโมยูเนื้อกำแล้วผลของกำไปได้เสิรักแท่แก่แมนปันเอกตาผลของ ก, กำกระทาสนองโลสิทัตสินแมนโมแมนเมื่เป็นปัญหาจะมีข้อรับสั่นเมื่เป็นปัญหาสิว่ามีโทษจักเท้ากับว่าเป็นปัญหาขันเจ้าได้ทําโทษจะเอาเงินจ้างไว้ผลของกำกระตามสนองเจ้าอยนนี่แหละคอนี่แหละมันสำคัญ ในทาันจึงเข้าลบนับถือพระพุทธศาสนาขันพระพุทธศาสนาก็ยืนยันกรรมและผลของกรรมแล้วการเสื้อพระพุทธศาสนาก็เสื้อแบบร่อยก็จะเสื้อพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าผลของกรรมมีอยู่ทั้งในที่แจ้งในที่รักบนีนไปทาก็มีความผิดอันเดียวกันความถือก็คือกันมุดน้าม่ทำโยกถือมุด น, าานา้าพระห้าพระพุทธโยก็ได้ มุดน้าปล่อยเว้นเส้นแทงคนอื่นอยู่ก็ได้สิว่าจะไหนสหนันเขาทำทั้งหลายมิใจเป็นต้นสายเหตุพระเ ท, ที่มาสอนเก่งคือพระองค์เก้าเขาบอไม่ดอกในใจโลกทาตุไม่ต้องเอามาเทียบพระองค์เก่าเลยพระพระทุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสอนโลกสอนโลกแบบมนุษย์สมบัติแบบสวรรค์สมบัติแบบพุทธสมบัติแบบนิพพานสมบัติ บ๊อบแูจึงเข่าสู้พระนิพพานอบายจะมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์สมบัติกันเว้นละขันมะเว้นเป็นมนุษย์วิบัติเทียดในมือแล้วเต็มเป็นฝาพระดินกระซ่าบ๊อบยังชิบหายบัดชิบหายโดยเร็วด้วยแม่ทาทำอันไหนมันชิบหายพระพุทธเจ้าไปทำมันกับชิบหายคือกันสารีบูธเลยโมคล่าเลยมือนี่ มาเรียนเอาพาขี้ว่านกันเถอะมาเรียนเอาบทที่ขานกันเถอะอ้ท่านทั้งหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินทบาทมิถะพ า, าข้าขิ่งเพราะมันของมันไม่จีบ่องด้วยทั้งหนึง่งเหตุนี้ท่านพระพุทธเจ้าจึงเขาลบธรรมบุญอมฝืนธรรมทั้งสัวก็เข้ารบทั้งดีก็เขารบทั้งสัวเขารบเวน้นทั้งดีเขารบเจริญนี่นสีมากล่าพวกเข้านี่ไป อยู่หนึอือกรรมและผลของกรรมมันบ่ได้ท่าพระองค์เจ้าก็ยังเข้าลบกรรมและผลของกรรมอยู่กรรมดีเพิ่นกับทําพ่อแล้วกำซัวเพิ่นก็ละพ่อแลี้ยวกนได้เข่าสูวพรันธิพานหมู่ห้อกรรมดีก็ยังพันธ์พ่อกรรมซัวก็ยังละพันพ่อก็ยังเข่าพันธิพานบ่ได้จึงสั่งแต่กุศลกรรมไม่ท่านวัดศีสวัดพระวนาวัดลงในจิตในใจของเขาอยู่เสมอนี่ อันท่านาวัดศรวัดพระวนาวัดเต็มตื่นในหัวใจของเขาแล้วกิเลสทั้งหลายกำมาไกลเพราะอไรความหลงทั้งหลายต่อตัวใจอำนาจของผลทินผลท่านมัดมาเป็นอิทธิพลมาได้ลบโกนลงเดี๋ยวนี้โรคโกโรคโกหล ง, งเขาห่าวมันก็แสดงอิทธิพลไอ า, า, ยายาุการเท็จบพ่อเฮ้ยเจ้าสันเอาจงพญาย่ามละสัวทำดีคำสอนของพุทธเจ้า สิมีหมากม้าร้ายลวนก็ตามสอนหยดลงมาเป็นอันเดียวจงทําจิตให้บัญช์เธอในการละชัว่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าหยดลงมาเป็นหนึ่งจงพอยู่ให้เป็นที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งเอาพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าถราเท่าพระสูรพระเนปา บุตรโธ่แม่ผู้รู้ใจละบาบปบาเพริบุญ <c oughs> ธรรมโอทรงไว้ซึ่งละบาปบําเพ็ิบุญสังโฆปฏิบัติละบาบปบาเพริบุญพุทํางทรงอะไรกลงคืนกันอยู่ในใจไม่ได้อยู่วันอื่นใจเ่าเป็นที่เพึงของใจที่ให้อันไหมาเป็นที่เพึงใจเ่าเบียดเบียนใจแฮ่อันไหมาเบียดเบียนดิฟ้าอากาศเบียดเบียนบพราะ ของภายนอกเบียดเบียนมาไหนใจเป็นที่เบียดเบียนของไก่นริรภัยอากาศเอาเป็นที่พึ่งมาไหนพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจลเลยพึงคิดใจพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เอาใจต่อใจเป็นเพืเพิงมันเพราะพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในใจนิมนต์มาอยู่ในใจแล้ยนิมนต์มานั่งมาขี่มารถใช้พระพุทธในใ น, ใ น, ใ, นในคิดในใจเลยแล้วลึกไหนลึกไหนก็ดี เขาหมการถวายที่วิตยาภพุทธธรรมประสงค์อยู่ตรงมืองคอยผู้ธรรมสงข์ขี่รถเนี่ยรถเดียบยามันทนไร้ามูกสในคิดใจอยู่ทุกเมือผม่ประมาณเพื่อผลดุนธรรมธาตุสังสาโดยด่วนอยู่ทุงเมืองผมอยู่ประมาณกับข้าเิดเลือทุกอย่าบูชาพระพุทธธรรมระสง์อยู่ตรงเมืองในทปไตยโลกธาตุเนี่ยมีทนานับจ้มนุษย์สมตวรรค์สมบัติภสมบัติในบ้านช่องบัติก็ดี ทิุฐิถ้าคนละกายว่าใจใจเป็นมหาสงวัดนั้นทุ่นถวายผู้เร้าผู้ทั้งสงฆ์ทุกเื่มีปรพมาที่ขอเข้ามาโทษทศผู้ทังสงทุกเมื่อมีประมาที่ถึงพู้ทั้งสงฆ์ทุกเมือไม่มีะม่าถึงยุทธใจนี่ไม่ได้ยุไก่เอ้เรามันถึงฝากฝ่าเรียนดินนี่เองเอาใจพู้ถึงพระผูออะ้ทัง้งสงฆ์ยุทใจพวกลราค้นเขาว่าะไยผีออกแหย่ลงุงปูอ่าน อะไรออกกันไหนไรผีอะไรออกจากใจผีพอถือสมบบะหมีใจพ่ถือผีผ yup ีกับอายุใจผีบ่หมีแค่ผู้พอถือบาบ่หมีแค่ผู้พอทำหัวเม่บ่หมีแค่ผู้ย่อมเป็นสูตรด้วยัันไรผีอะไรออกจากใจใจพอถือผีกับ่ะหมี่วะผีกับบะหมี่อยู่ในใจใจถือผีผีคือยู่ในใจใจถือพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ในใจใจพอถือพอพุทธธรรมสงฆ์กับอายุใจวะ่นี่ยอันนี้คือการนวด คนท่านผลถินผลพระวนาค่ะมันดูใจเพระใจเป็นผู้ ว, าาว่าเหตุว่ากายว่าใจเหตดอันบ่เหตุกต่มันใจเป็นผู้บ่เหตุบ่ตกลงเสห์ น, นอนใจมันครบแปดหมื่นสี่พระธมคันมโนผู้ปังขมาธรรมามโนเสถทธรรมอโยมนะมัก ย, ย่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจเทำจํำเจรบญระบาดของพระพุทธเจ้าบดกับบดของใจบาดกับบาดของใจของใจเป็นผูเ้เหตุบทเหตุบาด ป็นหัวหน้ากายไหว้ตาทรงต่อพระนิพานเมดขันเฮ็ดถือกันเฮ็ดชั่วกับทรงต่อมรหกขุนว่ากันว่าขันตัวไห้เฮ็ดดีก็บทรงขึ้นเมืองพันิพานเมืองพันิพาณเนี่ยใสกับยุยุกยุ่น้ําใจเมืองมรหกกับหกขึ้นใจนี่จะว่าอย่างไรจัดเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นที่ไก่แต่เท่าสร้างแต่กุศลพ้นบุญมรหกกัเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นแลใครเป็นผู้สร้างขึ้น ชัดทั้งหลายสร้างขึ้นสร้างขึ้นไว้แน่ใจผลของรับมันก็ไม่ใจผู้ได้รับสวรรคกันไม่ใจเป็นผู้สร้างขึ้นหนักอนุญาตทำเมทีตัวนาโลอนุญาทําคือทํามันปเปิฐก็อยู่ที่นอไดชนนอไดชนนั้นเองเป็นผู้สร้างขึ้นพระพุทธเจ้านั่นพระเป็นพระผู้เเจ้าไพน์นอกพราผูเป็นเจ้าจิตพราผูเป็นเจ้าใจเท่านี่เป็นผู้สร้างขึ้นกลมหรกลมซัวพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสี่บอกทางก็คือ หิ้นอนก็ต้องนอนเองหิวน้ําก็ต้องดื่นเองเราจะท้าเขทําแทนไม่ได้นูนตัวเห่ยวเขากินเองเด้อดูง่ายหลานเนื้อพอกินแท่นเมื่อไรเด้พระพุทธเจ้าอยู่นอนก็นอนเองพอนอนแท่นเมื่อไรพ่อเป็นผู้บอกก็ซื้อหอกปลูกให้ต่อพระพุทธเจ้าอันไหนวิโยนพกตัวว่ามี่พอก็บอกพกตัวเอาเม่อไรอันไหนวิโยนพวกตัวมี่พอจังบอกเอาใจ เอืตัวนี่เป็นคนเมื่อเป็นบาปเสียชีวิตผิดมนุษย์สามารถที่ถ้าควมดีในยูให้ใจถึงทั้งดีและหลัวเก๋ย์พระพุทธเจ้าเนี่ยภาันใจถึงทั้งสัวแม่งวัดมันใจถึงทั้งกินมูดพูดแมงูแม่งเผงมันใจถึงทั้งกิ่นเกษรบอกไว้มูโตให้เป็นคือแม่งูแม่งเผิงเน้อพระพุทธเจ้านักว่าไปใชกับแม่หาหมูเหาเนี่ควมดีก็เป็นหมูเหาได้ผู้ทิสร้างขึ้นควมสัวกับเป็นหมูเหาได้ผู้ทิสร้างขึ้นผู้เทศกับผู้ฟังนี่ผู้ทีสร้างขึ้นควดีก็ได้ สีเว้นกัเป็นผู้นี่สีถ้ำขึ้นกับเป็นผู้นี่มนนไม่ไพ่เสมาญาติเฮ็ดไอ้เนี่ยอืมเฮ็ดแน่วผลของคว่ำดีความซัวไม่ไพ่เสมาญาติเอาอีกละของไพ่ไว้ก็มัน่นของคิดของใจก็ไว้ก็ยจิ้งใจเราเขาจิตใจไปพุ่งพนาต่างขึ้นเะด้นักกายว่าใจอ่ะขายว่ า, จ า, วาจากับเป็นผู้เฮ็ดน้ำแนววมเหลือวิสัยเห็ น, น, น ญ, ญามันเหลือวิสัยมันกับว่ายอมเฮ็ด น, น้ำขึ้นกันนะ่ะน้ำมันเหลือวิสัยอย่างใดตีงก็ติีงไม่ได้ลุกก็ลุกไม่ได้ ลูกกิขา้าว่แม่ว่าท่ลูกยา่างที่แม่ว่าท่นมันลุกมาได้มันกรฝืนมันกระปไปแล้วมิจะพยาญชนะตลาดขอยท่านห้องเก็บห้องป่วยลงสันว่าเอาน้ามาให้กินได้เวย้ยขอจ้ น, นจามจะกิบแน่ขีเต็มกลนเต็มกอยมาซักให้ได้เวย้ยมาทายผ่แน่นี่ว่าสาคัญนะสั้นนี่ พี่น้องกายกับพี่น่องวหวจ่ายยังภาพบอกได้อยู่งัง้พี่น้องกายพี่น่องวหวจ า, เานเน ย, เวยเขาถิมฮะเนี่ยเหลือพิเศษเขาถิมเนี่ยเขาบอกเข า, าอะไรเขาเขาไฟังคือรถเน่ยเหลือไิเศษไปสำไมมึงไปทำไมมือควันทีบางคนเพล่งเพล่งมันก็บพไปจีว่างไหนสัน่งเออามันเหลือไิเศษมันนะมันเพลเลือไิเศษมันนะร่างกายให้กันะนะนัมันมีชีวิตด้ว้ภาพมันเห็ดทําประโยชน์จะ ม่าใกล้สิตายมาสิได้อภิงฮัตภาวาน่าแต่ย่ามเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยบกบากายบ่ใกล้สิตายมาจังภาวน่าพุโทโธจังพุดโธดิเดอพุโทโธดีเดอวะท่นุโธตายยังไหนถึงแงต่ยามมีชีวิตอยู่ยกับพวกเห็ดตะเกือบอืมือนยามหาขอพระเขาเลยจังสิบอกไปหาน่อยจังสิบอกไปหาเห็ดจังสิบอกไปตลาดมันก็มาท่านกินแล้วมันต้องหาไว้สี่เดี๋ยนี่ใกล้สิตายมากเลย ตียงเตียงไม่ได้สันตีงได้เบาได้น่ะบ๊บบสําคัญเนี่ยสันนะกตีงกม่ได้นีน่นะฮะไม่จริงเจ้าเอาน้าม้ า, มสาสัษษ้นเอามาท่านพสดพ่อยมันก็กลกืนเขาเลยตัวผู้ไม่สติในวันนะผู้ผ่มีสติมันก็เลี้วเลยตายข้าภาวนาขอโตษพลอยเกิดพุมธโลร เทวโลกนั่นนัดงไปย้มเมื่อหูข้อสั้นบัดทายม้ำหูหูข้อเนิ่นจึงออกมันกระเขินเกินยากเป็นคนไห้จะใช้ใจไว้น้ําเพิ่งหวังเพิงต่นโยสมือธรรมเจ้าสั่งสอนเพื่อเนื้อเขายังตกไตน้าพัดไปก็ายั่งพลาดบัดทามอรนาดแล้วใจเจ้าจะเพิงไห้หวังให้ผู้อยู่ทั้งหลังทำบุญไห้ก็แสนไก่ลานโหนตามก็เนื้อมีมาการกล้วยบุญสวยพะนถึง ถ้าตายไปใหม่ในอเอาไว้ขี่โสมอยู่ดังรือกุศลที่ไปหอดได้ในหันกีดขวางเทน่านั่นน่ะถ้า น, น, น, น, น, น, น, น, นอาตโนานาโถเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนห ว, วังพึ่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างหวังพึ่งตนจึงจะไม่จนมุมง่ายหวังพึ่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างนั่นถาต า, ายใช้ใช้ย้พ้นดีด้วยเทาบอก ไปให้กระแลนไปหน้าเพื่อตายแล้วที่ไหนนีจเพิ่งเพิ่งได้ก็เพิ่งได้บ้างว่าเพิ่งไปบ้างเพิ่นเห็ดก็เห็ดทอดแก่ลำคานเพิ่นอันเพราะทยบ้านไทยเมืองเม่บอกหวนันได้รับไ่ได้รับยาหวยเจ้าลราบอกแม่นบ่หนั่นนักนนักหนั ใจแงตโนนาถูตนในพึ่งของตนใจเป็นในพึ่งของใจทําเป็นในพึ่งของท่านก็มีความหมายอันเดียวกันการท่าบุญมันก็ไม่ยุ่งซีบยางธานุไม้บุญสําเร็จด้วยการบอดีจากทานศีลไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม้บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาข้อสียยะ่ะภิญญาณไม้บุญสาเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้ใหญ่ เข้าลบโพยตามคุณอวุธท้อวายาวุธท้ก็เป็นบุญของหนึ่งบตีเสมอเนี่ยพ่อป่ากับป้าพ่อลุ่งกัารุ่งพ่อคุณพ่อคุณพ่อพ่อคุณแม่คุณแม่พ่อคุณปูคุณปูคุณยาคุณยาเมตหายป่าลุ่งน้ำเบานะสาวเมตหายบตีตนเป็นคนอาหางการมั่งการ เรียวกว่าประพฤติถอมตนแก่ผู้ใหญ่วียวัจะไม้บุญสาเร็จด้วยการช่วยกวอนขอยในกิจที่ชอบกิจอันใดมันชอบมันประกอบทำซวยกันเ้อาที่เ่ที่จะทำไดนปฏิทานน้มไามยบุญสมเร็จด้วยการให้ส่วนบุญถ้าบุญแล้วอนุโมทนาหรืออุทิศฐานสัตว์ทั้งหลายทั้งตงต่โตรกธาตุหรือคุณพ่อคุณแม่ ผู้ยาติง่ายผู้คนล่มหายตายไปสู้อะไรโรคไายหนาย้าบุญอุทิศแต่คนเขาไม่เท้าคักเส้นหนึ่งก็ดีก็ได้บุญหลายก็เป็นปฏิท่าหนาไม้บุญทวายตัวการให้ท่วนบุญบุญท่ามี้หน่อยหนึ่งไปอุทิศให้พืนเพนู่นนี้มันจะพอบมื่ออดพระอนุน้อนั่นแล้วมันแห้งได้หลายพระพุทธเจ้ามันมาคือแนวอื่นทำมัดกับน้าไมบุญชวยการฟังธรรม ตองทํากัเป็นบุญก้อนหนึงธรมเทศนไม้บุญเทศนการแสรรดงทำกานแสดงท่ามกับเป็นบุญอนหนึง่งสัพพะทานังธรรมาทานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็มาเห็เท่าให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานชนะฐ า, านทั้งปวงเขาบอกลูกบอกเต้อเอาเขาจะไปเฮ็ดจังสัน่นบอกพี่บอกน้องมันจิบมันหายมันบาปนี่สิเขาเรียวกว่าหายเรียกว่า ธรรมะชาวนาไม่แล้วธรรมเทศนาไม่หมดแล้วโดยสําเร็สด้วยการแสดงธรรมก็เรียกว่าแสดงธรรมให้ฟังสร้งสอนมิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ขัดกันก็เรียกว่าเป็นผู้เทศให้ฟังเื่ า, ากันว่าผู้ฟังเทศนี่กระชับเป็นบุญอันหนึ่งธรรมัะชาวนาไม่การฟังธรรมมีอานิสงส์ห้าอย่างผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สิที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำคมเห็นให้ถูกต้องถ้าทำมื่อทำความเป็นให้ถูกต้องแล้วคิดผู้ฟังก็ย่อมฟ อ, องใสองค์แห่งทำมกชถึกคืนฤทธิ์ท้าหยางสแสดงทำไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความมีฐานศีนลภาวนาเป็นต้นอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจตัง้งคิดปาถนะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ราภไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นภิกษุผู้เป็นธรร ม, มกตึกพึงตั้งองค์หอย่างที่ว่าในตนธรรมะสมาลนิสงค์คืออ น, นิสงส์แห่กงการท่อฟังธรรมห้อย่า ง, ง, า ง, งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสมบรรเทาความสง ส, ยสัยเชื่อได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องหาจิตผู้ฟังย่อมผ่องใส ที่นี่คอสิบพลนบุญบุญประตูสิบคอที่สิบมาทิศทุกรรมการทําความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญของเนืการทําความเห็นให้ตรงเขาเห็นยังไงเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลเนี่ยพลาดมีซาตนาไม่ซาตหลังไม่นี่เรียกว่าทําความเห็นให้ตรงไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญไม่ได้ปฏิเสธคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เพลิดปฏิเสธคุณครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกว่าทําความเห็นให้ตรง เมื่อมซัดทั้งหลายเกิดขึ้นว่าแล้วแปรปรวนแตกสลายไม่ได้อานาจอันนี้จังนเดี๋ยวคําก็ไม่ให้ตรงปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรหน้าถกะกันนัทธธรรมคือทำทำ ท, ท, ที่เพื่อชีพยอย่างศีลรักษากายให้เรียบร้อยทีนี้ละอายต่อบาปทุจริตโอต่ปัสสนุรูลต่อบาปทุจริตพาหุสัจจะเป็นผู้ในจําทรงศีลปวิทยามาก กัญญาณมิตรตาความเป็นเพื่อนดีงามสวัจจตดตาความเป็นพวัง่ายสั ง, ง่ายกิงกรณีเยสุทกตาความขยันเอาใจใส่ในจิตตุลาคนเพื่อนพืพ่อสัมเนรก็เหมือนกันหรือเพื่อนบ้านก็เหมือนกันธรรมกามตาความรักใคร่ได้ทำที่ชอบเริยะเพียนเพื่อจะเข้ความชั่วประพฤติความดีสันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งเอาผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งระยะตามตามีทําได้สติจําการและทำที่คําและคำํำจะพูดแล้วแม้นานได้ ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรนี่ที่พึ่งของตนก็มีอยู่อีกชิอย่างเท่ากันกุศลกรรมวัดชิบจะเป็นที่พึ่งของตนคือกันอกุศลกรรมวัดชิบเป็นที่ทำารเจ้ า, จาของกุศลกรรมวัดสามถ้าไ ม, ไมาไม่ซีแล้วไม่ภ า, าวน่าไม่ก็เป็นที่พึ่งของตนแต่ตรงกันคามกับพิธีบินฑ์เวียนของตนว่านะตนคือใจใจคือตน ออกไปใช้มมาไปมันก็มาหาผู้เขาผู้ฟังเพื่อสางมาแล้มีเบื้องตนก็ต้องเข้ารบมนุษย์สมบัติต้องเคารบสวรรค์สมบัติเขารบพุ่มสมบัติเข้ารบนิพพานสมบัติเขารบมนุษยสมบัติต้องเว้นอวัยวภูมิ ท, ทั้งสีอต้องมาโวต้องเวน้นเอาเว้นอวัยวภูมิ ท, ทั้งสี่ก็ถูกแล้วก็ เป็นอบายยมุกกระถือพระสวัสดบ่เสียดายอยากลวงะอับายยมุกว่เสียดายอยากลวงสินหาว่าเสียดายอยากถือศาธารณอื่นนอกจากพระุพระธรรมระสงค์ไปว่าเสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค้าขายัเป็นเนื้อทัเทตัวขาเพื่อเป็นอาหารคาขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายหายางนีพระสวัดิบาลว่าออกมาประกอบ สมัตของพระโสดาบันหาประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริพุทธสุ ด, สดคือศีนท่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลถือมงคลตื่นข่าวก็ซื้อว่าเรียกผาะบัตรเบอรมันถีจ่จะเลื่ทางไม่เห่นไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกอุวาสิ ก, กาต้องตั้งในสมบัติหาประการ มันจากมีิบัติหน้าระการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้ามันมาเสียดายยาเข็มมันมาเสียดายยาเข็มันกับปฏิบัติสบายที่มันเสียดายยาเข็ดเนยกับปฏิบัติหน้ายากมันเห็นนะมันมันปีนังเกี่ยงเสีด้เข็มมันเห็นนะมันมัมีประโยชน์จักเม็ดมันก็เลยเสียดายมันก็เลยเสียดายยาเข็มโอ้แต่ว่าแต่ว่าเห็นเป็นประโยชน์ด้วยมันกับว่ามันกับเสียดายเนี่ย เพระมันเห็นผิดอยู่ดิมันเห็นชอบแล้วมันเป็นสมาธิฏฐิบงต้นมันก็บพระเชษฐายลขาเพเนี่ยขึ้นนำา่างเนี่ยเข้าทมทีมเราไปเชษฐาเขาออมากินเนือเือมันนักไกว่าท่นมันกลบว่านักไก่แล้วพรเสชษฐาออกมาร่วงละเมิดที่เขาลักนักไกแล้วก็พะเชษฐาจะ่วงละเมิดเป็นอยจางเชษฐายร่วงละเมิดเพราะเห็นยังว่าคักดิยังเป็นมิสาธิษฐิอยู่ยังร่วมเจ้าของด้วยพาเห็นว่าท่าว่าเอาพุทธธรรมระสงค์คือกันเห็นว่าศาสนาเอื้อมันดีก็ศาสนาพุทธอยู่ มันเกิดว่ายอมตัวใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขักขับไม่เห็นว่าศาสนาใดๆในแต่โลกทาเนี่ยมันบาเหนือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปดอกวัชรมันก็ร่งบ้านใ่ยากเลยนี่ที่มันบาล่องปีนขางังขางงนุ่มปทรัตตินั่นปทรัทตินี่ตัวมันนะจะไมแท้ตัววสมพระพุทธศาสนาไปก้าตัวพุทธศาสนาบุตรยังสั่นบุตรยังสี่จะไม่แท้ตัววสมเพลินตัววสมดอกไม้ ตัวตัวเปิดสมหนึ่งเต๊กของเพื่อของเน่าก็ยังวั่นที่ว่าดอกไม้พอดีนะงนะ่งแมงผู้บ้างเพิงบ้างว่าปชาเชอว่าตมันมันกะว่าโรคข้าวเป็นแมงว่นมันกะว่าโรคข้าวเป็นนั่งนันัมันถือกับแมงว่นมันถึงาถือกับแมงคูยังเพื่นฉันไหนคือกัน ข้าถึงมาพุทธธรรมมาสงฆ์มั น, นก็ถือกับดักปาดแจมบ่หงมันมัถือกับคนพลาดนะอย่างไรสั้นคนท่องใจถึงทุขคต่ถึงในทั่งดีตามสถิติคำนังนของจับของอาถารทุกคนอาถารต่อความดีน้อมไปนอมตายต่อความดีผู้ขจจอบเสือผู้เสือขจจอบอาถรรพต่อความสวนน้อมเป็นยนนอมตายต่อความสวนเพราะรักสงฆ์คอจีบป่นมุ่นนั่น แล้วมันก็คักแล้วเอาดำนี่แล้วยังกินจิตรัตนังโลพีวิจติวิธังปุถุรัตนังพุทธสมังนะสีตัสสะมาสดทิพวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนัติเมสร่างอันยังพุทโธเมสร่างอิตินสัตวเจนะหัวตุเตชมังกะลังชาติณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชาติณะอันประเสริมของข้าพเจ้า มันก็มดเท่านั้นว่าไปยังจังมันจังยินอย่างนี้แเพราะมันเห็นหน่วยปัญญาของมันสัตว์อะไรเนี่ยมันมีอันไหสีมาเลือดกว่าเขามันเห็นอันอื่นว่าดีกว่ามันก็ลงเลีงลงเลีงก็คือเป็นไม้พลดทัวว่างนาเวียงหลังอะไเขามันเห็นว่าอันนั้นดีก็โม่ลงมาแมนก็คุบอันนั้นปุ๊บเน่ยบว่างกเคืออ่ะ ต่อไปนี้หายพ่อนเมื่อยละยะทาวาลิวาฮาปราเปรปุเรนติสาคลังเอวเมวิทุทินังเปตาังอุปกระติปิฏังปิังทุหังิเมวะจะมิจะตุเรเปยรนตุสังคปาจันโดวนาโยะามะนโเทโสยะาเราพีโยวะจันสปะทุโกเราพีโยวะปุโรโเวนัสสตุมาเทพวตันตรายุสุขีทีกายุโกวะอภิวาชนะสี นิจสานิจจังวุาปจายยโนจัตตาโรธรรมาวาจันทิไยวันูตูขังพะแปงอะไเมือ่อยอะวัดเดียวเมืมีคนระวัดอะวัดเดียวกันวัดยังก่อนเอ้จังวัดไหโอ้มันมีรลายอำเภอแล้วจะจืดไปอืมแย แยจากเอาเพิ่มวางสามสิบอกอยู่วงอยู่วางพาบลุว่านแจวมาทา้งนี้บรือเป่าฮะบ้านล้มภูเขาบรอปอืออือคูบาอาจารย์เล่าหลวงปู่หม่นหลวงปู่สาทั้งฝ่ายปฏิบัติกายุททังอุบล แล้วพวกเขา อ, อุบุญอุบุเป็นเมืองดอกบัวอุบเุเป็นชื่อเชื่อของดอกบัวอุดรเป็นชื่อของเมืองเหนือลนครนครเป็นชื่อของเมืองหลากคอนเมืองหลักค่อนเป็นขาซ่างในชื่อเมืองนครขาสร้างลานนั้นมันมัม่งไฮมั่งหน้า มั่งเพื่อนมั่งซ่ามนเขาเพิ่นจะไปจ้างสีโคตตะบองมามาขาสร้าเลยคาซ่าล่านนั่นได้ทีมแชฟแม่น้ําโขงไหลเน่าเราไหลเน่าไหลโขงไปได้อื่นแม่น้าโขงก่นแต่บอกเราโมล่าเพิ่นเบอกพอโลกมันโมเป็นของแน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยแปปวนได้แตกสลายโมยุโมยุบมยุคือเก่า ดินแตกไปเป็นดินนาบแตกไปเป็นนาบไฟแตกไปเป็นไฟล่มแตกไปเป็นล่มผู้หวังผลทุกข์นวัฏฏ์ท้งศารต้องพรวนาสั่นสูงพจะวนาเห็นอนิจังทุกขรังอนัตตาพรงะวาลมหายใจเขาออกผู้พรวนาสั่นสูงสั่งว่าเราไม่แก่กาวมาแล้วผู้หวังผทุกข์นปัจจุบันศาสตร์เนี่ยผู้หวังผลทุกข์ในปัจจุบันศิสตร์เคลื่อนกันไปก็หนัอันเราเมื่อกี้นี่มันบอกผู้สันตุ่นนี่ บอกผู้สั้นปายให้ไงเห็นทุกขคณะเชียดหนึ่งเห้นโลกรอบนึงแล้วเพระโลกเติบโตโดยกองทุกเห็นอนนี้จังคณะเชียดหนึ่งเห็นโลกรอบนึงแล้วพรโลกเติบโตโ ย, ยอันนี้จังเขียนหนังสือใครเขีหนังสือบอกเอาหนังสือถามตอบไปมาหาไปมันจบงายไปเอาถามตอบตอบยนันยศสนันพอแล้วเอาหนังสือถามตอบมาหาไปมันสงสัยยังไงหันกลทั้งหลาย นี่มันโชคดีได้พี่น้องเลยเฮ้าได้มาอยู่ในประเทศไทยประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเฮ้าได้มาอยู่ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาน้องไปบอกไงเลยเนี่ยี่เฮาโชคดีบุญหลายได้เนี่ยจังเลยมาอยู่บนประเทศมีพระพุทธศาสนาปฏิทูปฏิรูปประเทศสวัส์อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่มีพระพุทธศาสนาใหญ่ของเฮ้ากับ เป็นใจที่ไม่ศาสานาเดี๋ยวประเทศใน้นก็เรียกเต้มุ่เจ้าเลยนีฮะสีนกันโยน้ำจะขอขันตัดสินเราหัะหรือสิบปะราธิปาปตาข้อหา้ามเว้ยแล้วมันีเว้นแล้วเิก้ค้าประทางสมาธิามีเป็นชืค้าบทหนึ่งหนงึสินหากหารเฮาเฮามาลวงเราเ อ, อิบเมื่อก็ไป็นสินหาคอกลมกลืนกันยยน้ำกันเป็นเชื้อค้าเกี่ยวกันเ่ะ พุทธังสงกับเป็นเสื้อสามเกี่ยวเกี่ยวกันยกกับใจฮะสินหาก็เป็นเสือกขาเกี่ยวเกี่ยวกันยกกับใจฮะเอาแต่ ม, มูอโตสีว่าดทั้งนั้นกับตามค้อมชอบใจของมือโตอะไรไปขออพยของมันมันนั่เข่าดอกอืขอขอพย์ข้อมันมันเข่าดอกสีนก็นตัดสีลงแม่ไก่ไหวใจใจเหรอสินหาคอเอา้า สินหาขอห้อาางบอลลูนละเมิดห้องบอลลูนละเมิดมันก็มาอยู่ในใจของห้างนาี้กะจิตใจของห้อเป็นเสื้อขาเกี่ยวอยู่หันถ้าห้าวงละเมิดมันก็ล่วงละเมิดไปเป็นพวกตูวพกตูเอา้าชีว่าถาว่าซะ ตำบ้าขาดไฟฟูกแขนมันขาดเป็ี่ยนแนี้มันขาดว่าเปลี่ยนกิ๊ไก่เหรอถึงพระพุทธมาสทรงมันเป็นผ้ามืวด้วยไฟฟูกแมแต่ว่าห่างกับพเพีดอกก้านอกเานอนมาผูกคิดบผูกไก่ถึงพระพุทธมามะทก็เลยกแรกว่าเพีถือว่ามันเป็นขังสัตวมาเลยควัได้ขวัถากขวัญตะปงสัตว์ิสัยของกิ๊น่ อันนี้เดี๋ยวเนังซือแจกกันชาหนังซือคนละเอียลเอียอน่านหนมันจะอ่านจบง่ายครบระบ่บครบระบอคน ล, ละเียคนละเอีมให้พระละเอียดห้พระอคนละองค์องค์ละเดียพระเยเดียวเเดียวพระนั่นเอาชื่อมาผมมาประดับใจเพื่อนถ้าบุญก็มาประดับใจถ้าบุญต่ออายุของบุญก็ต่ออยู่ในใจถ้าบาปก็ตอ่ออายุของบาปอยู่ในใจท า, าถ้าบุญว่าเกิดเพื่อถึงว่าทรร่านเรา เกิดว่ามันเกิดโยมกันจังทับบุญในเด้ทับบาวกว่าทับบามันเกิดขึ้นกันทับบาวทับบาวันตายมันตายองนี้จากบุญอว่าอย่างไรกันเดียกันทัาบุญสรงบ้านบ้านมันกับพเอากัรมจิตใจเด็กพวอ๋ใส่ซื้อซื้อรอกไงทับบุญเพเพาะว่าไปคาติ้งว่าไปคุยกับบุนผีเพลียฉันไ่กบอก เู sea, sea, ื <ock> ่อนไม่ท่านไม่ศีลนี่พ่วานาเดียวก็ท่านบุญพระเวทที่ผมมีก็ไม่นึ่ขึ้นบุญพระเวทพระเทพยังพเะในท่านาคนกันรักษาเสนาาคนก็ไปพ่อวานาเพื่ดนไม่ท่านไม่ศีลนี่พ่อวานาเดียวก็เอาบุญพระเวดที่ผมมีก็เม่นึ่ขึ้นบุญเขากี้ขึ้นกันนะว่าแต่บุญเขากี้บุญเขาหึเทากันยังในท่านแต่ว่าชาดกเสื่อมเสื่อมพระเวทชั้นดอนกอนเนี่ยปราณเขาน้อมว่าในท่านนะ คนเท่ามทธาตมีศีลมีพรวนาอยู่เรียกว่าเขาเอาบุญพรเวทยอยู่พรามีก็ไม่งนขึ้นบุญพรเวทยเนื้อเนื้อเรื่องบุญพรเวทย์เคลื่อนแห่งเอพเวทย์ชั้นดอนเพิ่มให้ธานแล้วก็เพิ่กัไปรักษาเช่นหาอยู่เขาขี้นี่ว่ากดแล้วก็เพิ่มก็เลยพรวนาเพ่งเตโซกศินแล้วมีพี่มีเมตตาภาวนาแต่เพื่อนนั้นมีธาตุรักษาเช่นพระวนาอยู่ก็เรียกว่าเอาบุญพรเวทยอยู่พรามีเขม่เขึ้นเฮาเน้อกางสัตวกัถือก หรือเขาจะอาบุญเอเ็พธ yup. ีนีือกระถือกุ้งเฮ้านื้อกงันถ้าเาว่าเนยเอาบุญเอิพ่บ้านพเมืองนเขาจะเอาบุญเผอเญผู้เดียวเขาจะเอาอางไสันเามีท่ามีศีลมีหน้าเขาเก็เอาบุญเอิด้วยไงอกสันนี่สุสงสัยเมื่อบ้านเมืองคนพระเฮ็ดทักระเฮ็ดพไม่ได้คัดคลองอันนั้นเนี่ยไปขังว่าขังควายล่ะเพิ่นเพิ่นไปตั้ว่าเผอ่ญเอาเราท่านเหล่าท่านยาวสันพระเฮ็ดพิบ่ายยังสิไปท่านเหล่าท่านยาคือเขาให้บุญเสมอนี่ยแะ พระเจ้าพระสงสิจะไปท่านเราอย่างไหนเขามีธุระเขาไปกินเพราะเขาพระเวียดพิษษบายังจเอาพระรานไปสนกันเขาขน้องเขาสนกันตั้งหักแม้กรั่งสูสีโอพระราดมาสนกันในกูเบ่งได้ Lindsay พศศันวาเสดบอกตัวขน้องพราะตไปสนกันจะไปตัวเพื่อนพเฮ็ดนั่นตัวไปวกินเราจะไปตัวพระเวีดท่านเรานั่นแต่นี่คือการเขาเฮ็ดบุญนิสเสมือนเี่ยพระเจ้าพระสงฆ์บริเวณเราให้พระเจ้ากินแล้วเ ข, ขาพระเจ้าไปหากินเพราะพระเจ้านั่น พวข้าเจ้าสอบมาตัวข้าเจ้าพระสงฆ์หาไอ้จริงกับ่าเมีนงม่วงขั้วพวกเจ้าพระสงฆ์ก็บว่าจะบอกขาเขาไปขาเองเขานั่นแม่มาสันบอกไอ้จริงชื่าประวัติเอามาให้เพื่อนเลียมใช่ได้ได้แล้ววะได้จบนักสืบตัณหาสมาณทีแม่น้ำสมุนท์ตัณหาอไ่างเงี้ยรูปะตัณหาคนะาคันทะตัณหาทศตนณาโพธตัณหาธรรมตัณหาน่ย อ่พุโธธโมธโคพุทโธธโมธโคพุทโธธโมธโคพโทโธธโมธโคพุทโธธโมธโกพุททัศสงเนี่พาดพุทแฉ่ทั้งแท่สงแฉ่คือพันิพาดพุทธทัสงเบื้องต้นพระสวัสดบานพุทธทัศสงเบืองถ่ายพระรหัน์พระรหันเลี้ยนพุทโธจบพุทโธพระรหัน์พุทโธแปลว่าพุลูละบาบบาเพ็ญบุญหรือผู้ตื่นจากหลับพุทโธแปลว่าผู้ตื่นจากหลับ ตื่นจากโรกโกรธหลงแล้วผู้เหี้ยนผู้โทษจบเป็นพระอรหันต์โทเบื้องต้นพระสดาบันพโทเบื้องกลางสักทาค้ามีอาคามีผธโทเบื้องายพระอรหันต์อฮะแล้วขนี่อันนี้ตัดธรรมันรรมริน้านางทต้นก็ให้ใจฉันธธรมพระสง์ พอพพรทธรรมประสงน์ว่ผ้าออกมีจากโลกแล้อยู่ในโลกผู้อื่นจะ้าออกมีจากโลกนี่จะผ้าว่อเยื่อในโลกมีพาพูดพระธรามปสงค์สอนในเดือนนายธานนอาในวันาติสงสารที่ผ้าไปยึดไปพันธิาพสงสาชนาอื่นแต่บัญยัตพันธิาที่ต่งได้จะพค้อมตากนามันของกระเสพณนิภาพพูดี่เจาะของเฮาจนพณนธิภาพถ้าหมักสั่งง นในตุนเท izes, ่ขมบอนายค่ายเมาในวัตตาสงสารก้เข็ดมหลากนี่ในทุงเท่ต้องใน้คิดใด้ใจไม่เพิ่นในวัตตาสงสารไมเพิ่นในท่าเสีออกในวัตาสงสารยังมาเพิ่นในท่าในศีลเน่พ่อน้าเพิ่นในคุทงเดือดสีออกจากวัตตาสงสารระวงมาถึงมาอยู่ในวัตตาสงสารอันนีั้นมาเกิดมาแช่มาเก็บมาตายเดีวไปใช้แต่ยันจะกอดืกอดแกเจกอดายก่อนว่มันมเตียมซึ่งภลายหนอกภายไง เป็นพ่อเป็นแม่แต่งงานเป็นพ่อเป็นแม่แ่ก็ข้าวบ้าพอหลอดดีส่อข่จากร่มอัจจัยซักอี่เป็นพี่เป็นนอกก็ะดาษแ้เป็นพี่นองขันข่างค่าขันช้างขันางรับเช้าสินพ่อหน่ายจังสิเป็นพี่นอกอัจจมาผลไม้ข้านจังจัสิ่เขาชู้เขนิ่งข้านโดยงายจังสิบริมาตรท้องเปี้ยวในวารจ้าท้านอีข้อมดับเพิ่น ถ้ามาเจตนะของพระพเจาท่าถ้สันสูงเป็วดับเพลินในวาระสงคามกับปมกันขามหายยินดีในสร้างรุกปดรจากวาตะสงครามขุ่ชุมมาคือเท่าเป็นนักโทษที่ยังเท่าอยู่ในคุกย่ในตารางคุกแก่คุกเชิบคุกตายคุกหลบคุกโกรธุกหลงเข่าจะพยายามออกจากคุกึงอมีการปฏิบัติสินธรรมเพื่อจะออกจากคุกหลุกโกรธุกลง คือเมว่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกในวาตาทั้งสามอันนี้มื่อเมื่อดีตเกิดแก่เจ็บตายที่รองไปม่อเมื่อนาคดเกิดแก่เจ็บตายที่มาทันมาถม่อเมื่อปัจจุบันเกิด่เจ็บตายที่นังหุมอยูหลยรอบมื่อเป็นเรื่อง่งกัเรื่องมดท่ท้างจะยินดีนะครับาอันนั้นเป็นตัวสีอันนั้นเป็นตัวสมาธิอันนั้นเป็นตัวปัญญาต้องตรงตื่นยิ่น้ำัาแล้ว เป็นสินี่ต้องการนะครับสินต้องหันเป็นสมาชิกต่างมันด้วยนะฮันเป็นปัญญาหลอกลูงด้วยนะฮันแล้วถ้าตักไปทั้งรักจะท่างปกห้ามัจจิคำมัจจิเก็บกว่ามัิสาคำทางนโบราณชาอีสานม่จจิเก็บกว่ามัิสาคำา่าเาบอว่าตัวเติร์นในวัางสาอันนี้เติร์นนําพัดสู่วัดถุสินทองมงคลจักกิจมงจักข้านมงจักข้าวหน้า เออว่อจับความคิดก้อนใจเหยื่อนายค่ายเมวในวัฏสงสารผู้ใดเห็นค่ยในวัฏสงสารยางเกิทีผู้นั้นกระดับความเพลินในวัฏสงสารยางเกิทีได้เหื่อนายค่ายเมวในวัฏสงสารเพมันจะเหยื่อนายเบียจะปูก้อตายใหาตัวเองอันนั้นน่มือนายอันนั้นควปวดคนวางมันก็อยากฆ่าเยือนายแบบยดเย็น เมื่อนายออกมะละจะองตุ้กต่ยหลงมาในมาตาท้งสารเมื่อายศาสตร์ไรภพกระดูดขันเทปใบจระศาสตร์และศาสตร์อย่งางง่ายก็คู่ของชิ้นเโนโราพ่อนตันเขาหน้าตาที่ไหลออกสาสจากจระศาสตร์นี่ไม่ได้หลายางไหลก็ออองมือนี่เมื่อหรมันออันตรธานไปใช้คุณภาพก้อนนมากก้อนหนามหาสมุทรที่มหาสมุทรโง่เจ้าอนาจา ทั้งหลายจะองเที่ยวในวันจันทงสารสอยดเสื่อเอือนนี่ต้นสังเวชชรสิทจิบที่มือห้าลิ้นค่ยมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเห ย, ยียบ น, งน่งยีรัมมุนีนี่จะลุ้เกิดลุงมตายของามู่ห้าล่ะของมูอห้าทั้งหลายไปวันไหนวันสิบวันมันลุ้ตายวันนี้จะบอลว่นมันวัวมันลุ้มเกิดแต่วันี้จะบอนวันมันทีมอรของมือเ้าล่ะ ที่เกาข้อมือห้าจะต้องเที่ยวมานี่เองนยในจโลกสาที่เกาข้มูห้าจะเที่ยวตองเที่ยวมากพรางเนี่ยในใจโลกสานับจะพุมมาโลกลงมาตลอดถึงสวรรค์ตลอดถึงมนุษย์โลกทรัพย์โลกนรกโ ล, ลกโลที่เกาข้อมือห้าจะต้ยงผ่านมาแล้วทั้งนั้นอันนี้ก็สาทั้งสาราม้นเลียนไปเลียนมาอยูน่นี่ออกนออกจาคุก โลมไม่ได้ตั้งสุทธิปฏิบัตเพื่อจะออกจากภูมโลกอันทิสพูตมานมนานแล้วออกจากคูมใใจพระลงงานยาโภคเดียวพระโซดาวัติพระสัพพะข้านี้อาณาข้ามี่กาลังสุมาตูกออกไปกำลังเปิดประตูภูมิในวนาระน้าอันหนีท่านจะเจ้าเป็นจ อ, อมท่านจะพ้นเปิดแก้กจตจายเปเจ้าเป็นจอมนี่จะค้นบุญหมันเมื่อเที่ยงเราจะเจ้าเป็นจอม ให้ค่ารกษาสินทรไว้นหน้าข อ, นาานอ ง, นงนายทาวข้าเศษหนึ่งในการชนะคนทุกนวัตตาสงสารโดย ด, วด่วนและมาทองเกลี่ยมนากอีกย่างล่างที่สุดแต่ไมนขาสนะพระศรียังมไม่ติดใจในไ่ายกัดทุกขิเลนะเป็นหน้ายาพระเจ้าติสูรเองในโลกนันั้นเบื่อตะฟื้นตสูไปหมดมุกหมดแ ม, ม่งมุนเนี่ยกัวมันเขยไมอเป็นคน นกนกปูปกนุ่มพ่อมันถึงว่าเป็นมนุษย์มันนักสืบไปที่โลกนี่เข้าไปนั่มพอเข้าคุณทุบพุณทิจเจ้าน้อหลุกหลานน้ยที่นี่คราุณน้อยที่นี่ชั้นของนั่งจัดอุปาคือคนเอือดยุบิกรเวนยุงซืดคาสอนของคนจะระบาดอุปมาคือ่นเอือดยุบิกรเวนยุงตืตัวเก่าคำสอนทุบคุณทิเก่าเอือดชั้นหลายรออกจากวัดเจ้าสงสารทำหมักจัดสูง วายินดีในมนุษย์สมบัติวันสมบัติพมสมบัติหายวายกินเพราะอะไร้่างอบารมีนี้ต้องสามสือมส่อสื่อคนสิบเรื่องิี่มากติดอยู่ทีมนี่รอยนี่มากคนในกระตามก็ติดอยู่เป็นของว่าไหวใจคือว่าเชิงไดนว่าขาาั้นไหนถินว่าขา้นไนท่านเชิงนั้นไ่ให้น้องกเป็นของสาธารณเดยวตายนี้จกมั่นเราว่าตายนี้จะมันมันกับท่าตานี้จะเข้า ัยละไพ่อักเที่วไผ่อุตตะไผ่นักสวมมากก็ดีเนื่องว่าเป็นับไผ่ได้ยิดใจ้าเทาเมว่าพุทปรรมประสงค์ยูทุกมือูขาดจอดขาดนี่เห็นจะชิ้นนี่เห็นจะทาเป็นเคลืองูชิ้นหาว่เป็นเรื่องเล็หน่อยเป็นชิ้นของคารวะเป็นชิ้นของพระโสดาบัน้ากาค้าเอา เต็มซับได้ซับเต็มทั้งฝ้าเพดินเต็มพวกมะลุเพราะถาได้ชิ้นหาถ้ากนรถ้ามาทำอย่างที่ตัวท้ที่เชาะตัวเดินๆท่าออกนีจากวัฏสงสารโดยเฉพาะบูนน้อไหวให้พวกเขายืนทา้งหลังของบูนไหวท่าโมเมนต์โมเมสั่นดอกบัวที่ยืดต่หน้าเป็นดอกบัวที่สิบานยมันนีแลมยื่นยื่น่ดอกบัวตูมแล้ว เราเป็นดอกบัวเสมอน้าคนที่เราคนที่อับสายพงกเกเรานึ่งอยู่ไต่น้าสมบูรณเรานึเสมอหน้าเรานึเนสเต็มกลุ่มเรานึ่านไปแล้วยู่พวกผูพลฝนไปแล้วมันสู้มันยิ่ง้านก็แล้วอาหารละหันเท่ามันจะเป็นดอ ก, กัวทุ้มมือห่อนั็จะเป็นดอกบัวยี่ไต่หน้าเมืสมัยวาตารสงสามทีเป็นอันอื่นนอกจาก เก e ิดแก่เก็บตายเลนอกจากกอทุกข์ล่ะเห็นทุกขณะคิดนึงจะเห็นโลกรอบนึงล่ะเห็นคนตายขณะคิดหนึ่งจะเห็นโลกรอบหนึ่งเขาหลบเปลนเดกคนตายเห็นทุกขณะคิดหนึ่งจะเห็นโลกรอบหนึ่งเขาหลบเปลนไปเด็กพอพอทุกเห็นคนบวมหันมะเทียงขณะคิดหนึ่งจะเห็นโลกรอบหนึ่งเขหลบเป็นไปเดกคนบวมหันมะเทงนี่ก็ไม้เดียวกันมันบาดมันเมื่อข้า ในวตาตาทองานันนี้นาวบรวังสีอยู่ช่นสิเพราะมันบรจุใจมันมีแก่มันมีเจ็บ ม, ม, ม, ม, มันมีตายมันมีเรยวกระพากจากาา ก, กันออีหลาย่ากสมมเิ็นเติมอุ่นใจเลยยวผ้าักี้ผ้าธธรราไฟาารพนรตางสานันี่ว่านห้องผู้ใดเลี่ยนไปเลียนมายุา่นจนกยเลยเป็นมามูอห้าวขนบวชก็เลยเป็นมาก ข้น้าวเหนีเส้เป็นมาเส้นชีกัเส้เป็นมาหมูห่อรสชาติหนึ่งรสชาตนึงแจ้งไปพรอมกัมอนาเตีงเลี่ยนไปเลี่ยนมากเลี่ยนไปเล่ยนมากอือเออ ตัวกลางมัด้นะครับตนขา็น็นะลังพรอดตัเจานะองค์าะ่นที่ทางตะลังเกิดเหมือนวงดวงความยินดีในพระคุณระธรรมะสงขณะความยินดีทั้งปวงนะลูก ข้มยินยินดีในท่านในศีลในภระวานาชนะข้มยินดีก็าวงในโลกข้มเห็นไในวัฏจากสงสารชนะข้มเป็นเพืนในวัฏจักรสงสารเดี๋ย ว, วเห็นกรรมเป็นจริงเห็นเหลือกันเนื้อหาอันสัตว์ข้มาไหวใจในวัฏจากรสงสารแล้วข้มาหวใจในที่แล้ว้มมาหวใจในวัตถุสมบตรท่าอื่นตรงนีข้มายอนียวกันอั้นเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมของหลักปักไดไ้ได้คดี ขอกายสวัต่อคุณพระพุธมประงทรางมิตสมัยแล้วเร่อใดเรก็ดีพะเป็นขาดาครับคุณระธรประสงทรงเงวงนี้สมัยจิงจดอัปรทั้งหลายลงมาเปลนอัปรยอกุโชบริสัมุโชเนี่ยขร่วมสินต้นธรรมเอาอวไหันมดรวบผู้รู้เอาหันรวบิดต้นแจเอาละหันมวบต้นีเออะกับพุโธว์ัุโชแผู้รู้ ข้ามโม่แปล่าปฏิวัติพุรุทั้งโคเ่เปล่้าโม่ปเปลส่งใหม่เึ็นพุรุทั้งโค่แปลปฏิวัติพุรุเจะชื่อะร่ำกันอันเดียวกันพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึอนน้ำกับเหนือกับเอิกับกระดูกนี่แหละสัมพันธ์กันดู่องสรริไปรถมาเนื่อยอ้พ่อฮะขาพันพรณชาภิทโตข้ากันมิ่งขอวัดแยกเป็นคมุมมิ่ขวาวัดคนมุมมขวาวัดคือหม่้ยนาน เอาใไมอสอสิพักระไซตืนนุนี่เอาแครวงสิพัดวกระไซตื้นนว่าไฮวายผซโตชามโมสังโขนิ่้านั่งก็สนองสามกลมนิใส่ได้ยุบปลยนิหน่อยขึ้เข้มก็ได้ยุบกีรัที่นอซโตชาโมสังโขนิ้านั่งวาวเพื่อพนนิ่่านบหวาย่ที่วลูกแจแท่งตลอดมะขนนิ่ง่านโดยเร็วไปมาทองเที่ยวนาวราทางนั่งวา เขาก็หน่อยๆที่เข้มโรวแต่ใช้รยูุววัตถุพิษเาขาทำงานท่านี้มากต้องคอยไปทํามาหาชินาน้นต้เปิดต้องตัค้ายของแต่เมืนเจียครับขรเขาก็เปิดโดนถึงม า, า, า, า, า, า, า, ามมพูดตกห้ครเ้็ยหน้าพี่กันสองนี่มาพูดมาทําสองขึ้นรถขึ้นเรือกับพ่อหน้าพูโดโทษ จังหวะพอตั น, น, น, น, น, นทัา น, า น, นจังหวลาดอันทายลบสมบัติเทพจนก็บัตายักยั้งจัราจ้ำเพราะว่าพนนาในใจมุตานั่งผลิตสัดจังพนามันเีเขอาทั้งหลายจนเลยถึงพุนประภุตระทับประสงคเถิดไทจักรโมี่เหตุที่เกิดไทมนอรกุบโพอรอ่พระจะถอดออกแท่งนี้ เราดูีล้ววัตตาสงสารนีคือ้เจ้าเ ป, เป็นจอมหรอกาทีไปนั่พุทโธพุทโธสิผ้าขวบวัตตาสงสาลสิพระว่าจะผ้ามาเกิดกมาแกมาเกียมาตายอีกนี่พุทโธถ้าโม่สังโคะขนาดสิผ้าถามโลกเลยยัง ไ, ไงนับถือศาสนาพุทธว่ามันนับถือพรเป็นง่ายเงี้ยสิว่ามันนับถือเพอแกรผ้านี่ส มันมันนับซื้อตามลกกาทิ่ปไะัยลูกเขาเล็ตนับซื้อตามธรรมารทิปประสาวต้มเสือต้ น, นเห็นทั้งข้าอันเลือกเล็เห็นว่าไพในวัดตทาทงสันนี่ว่าไม่มไมอยอม ม, มมาเกิดมาแกมาเก็บมาจ่ายปูเข้าไปยึไสายาเข้าไปยึไสายตวดเข้าไปยึไสไปใส่หมดแล้วตังจะเข้าหนิเข้าตลอด ข, บขบับทุกเป็นเข้าประตไปยี่ตังแลบลงเลยวันม่นท้องไส้ในวัดตทาทองสันอ่ะ เขตาจ็บตายั้งเป็นเจ้าโลกมัน็เียมเป็นเจ้าโลกเียก็ได้เป็นเจ้าโิตาเก็ได้เป็นเจ้าโลกเก็เ็บตายองทุกั้เป็นเจ้าโรกจีนก็ได้เป็นเจ้าโรนีจะทกตั้งเนไของโลัแที่ยน้าร่งหมันเกิดสรดสังเวชมันยัสีโปเิในมาตาของสารับนเรื่ยเกิดเร่รียนมันูกปมาทเื่องงงเป็พอะเทียม มันเพิ ử, đ đ ่มได้มันจะมันตายค่ากัดนเดี่ยวเดินพ้กค่ากันถ้มาหาอย่างเช่นโดยทางที่สอมันจะพอจะดูวัดเขาสู้คนาไหนง่ายมาเพราะมันข้ทางแสบเปี่ยนเปลียนนี่ข้ทางเลย ข้าวป้าหางอยากซื้อโดยท่ามาสอบของท่ามันอกกจะใสมีอยกกระน้ามันน่าหอบขับของแล้วคิดแม่ใจนี่หน่อยกระใสหน่อยีรากระใสร้ายตามที่ซา้กำลังสื้เข้าวง้ามาได้รบ่งขินแบ่งชานแบ่งไหวแบ่งเสียไหนมีชาติะวัดชีละวัดข้าหน้าวัดกระจาวันอยากกระทบุญยุคคู่อายุยุคทุกวัน เท่าเามนาพวกนึกนึกถ่องผูบุญองเานึกถเดี๋ยวาทบุญนงถูวับุญบวกบุญนกวันต่ออายุบุญนกวันเดี๋ยวถ้าบุญคู่อายุกแม่กนว่าสาผู้ครบุญใช้ิใจเกทำบาปนึกถกวันเรียกว่าสนองสองอายุบาปของเจ้าของาบวกบาป บุญบกบุญค่มันพุ้นชวีม e. ันทีนี้สสามจไหนโดยง่ายบาบวงบาปพุ้นชวีมันจะทีนี้ไปลงมะโคผของสันเอาโลดมันบวกความในิดในใจเขาไงบุญแล้วก็คิดใจมันเป็นผู้มั่งจับถ้าบาแล้วก็ไม่คิดใจใันเป็นผู้มั่งจับถามตมันก็มัตอบถามหูมันก็มัตอบถามจมูกมันก็มัตอบถามหลอดมันก็มัตอบถามตายมันก็มัตอบถามใจมันตอบมันไหนครัมันใเรืไอย แต่มันบริเทนเลมันกรตอมั่นบเทนมันในเฮตบุญไหมันในลึกถึงมันเ็เรืองุนใจของมันแตามันนเฮต์แบารมันในลึกถึงมันเ็เสืงเเื่องอใจของมันเฮต์แหลมมันยิใจมันเลยจอดเขาปอกเ่าคืองัวคือกล้าย่วกล้ายมันวงขอบวงศูนย์วงทาดีทตัวเนี่ยทดีแล้วลงมายิ้ใจทาตัวแล้วลงมายิ้ใจเนี่ยมันเลยจอดเขาปอกเงา บริษัทช้านี่คร in ้องมาขอบอกเสนอบด้วาจนเรื่อักขอบุนเทานี้เสอสำหร็บบริวาอยู่ในใจเท่านี้เทอันี้ไหวข้าองค์จับวัดระลึกภาพเป็นที่สบายใจตอนนั้นข้าชอบสัวข้าระลึกภาพเป็นที่หอดใจอยงเช่นรชเียดเนียัง็นยากเบีดตอนที่มันหอดใจข้าบอกมาทําบุญมันต้องเห็นอย่น้ปัจจุบันนะบุญ บาป็ต้องเห็นเน่ปัจจุบันหน้าบาปเห็นปัจจุบันนบุญปัจจุบันหน้าบาปปวดพวกคิดพวกใจจะฟ้องเนี่ยจะ้องเน่ยให้ทราบนะท้าทีนภาวนาทั้งไดใดถ้าเกิดมาเรเปิดปวดลงมนสะเห็นโลดใครก็หมดรักพห่อดอกผมเงินีืนกระป๋าห่อกระเป๋าใจมันกะเป๋านอื่นเฮ็ดดีเฮ็ดตัวเฮ็ดแล้วไม่ยื้ใจไม่ไปยู่อคนอื่นไม่ไปยู่อดีสาขาดตัวบุญมันเป็นยังไงตัวบาปมันเป็นยังไงตัวใจมันะตัวตัว พนเดือดห่อนของใจมี si. ่ตอนไหนตอนนั้น like บ็นนมเดือดห่อนของใจมี่ตอนไหนตอนนั repeat, ้นหลเป็นบุญลองะพนุโนวุ่นว่งใจมี่ตอนไหนตอนนั้นลับคือพลองขันพลงพากวนเบดเบีนผู้ใดวุ่ผูกขาดอาขาดวอาาดจองเวรผูกใจเจ็บ กอาาศอ่างเ่นปูกใจคไปบุญสั้นกลางเนี่ยบุญั้นทุกทายนอกมองอดีตจน้ยานอกเมงอนาคตจะน้ย้านอกมปัจจุบันจะนย้ย้าว่าะได้อย่าเใครอยู่นในโลกอ น, นี้อ น, น, นบุญั้นสทุายตายเกก็ต้องขาดูคพะฝืั่นโนมนีม่ันเป็นเขารีจ้ะ แล้วจะไปวาดในแสงมันจะเกิดแต่นี่ดีในภพในาตนี่หนึ่งก็เรืองว่าเขาไม่ท่นหยิพวกท่านมันยังงี้มันจะวาดตะเกิดอีกรูปวันยีนดีในภพเจ้า่วงแดบยเย็นๆแล้วมันกระดับเท่านั้นดับกิเลสตัณหาท่าน